วันนี้เป็นวันเสาร์ที่17มิถุนายนพุทธศักราช2566เป็นวันพระวันธรรมสวระแปลว่าวันฟังธรรมวันที่พระพุทธเจ้าทรงกำหนด ให้พุทธบอยสัตว์สาธุชนผู้ฝ่ายธรรมได้หยุดภารกิจการงานต่างๆทางโลกทางธรรมหากินเลี้ยงปากเลี้ยงท้องและทางหาความสุขจากโลกธรรมคือราบยศสรรเสริญและความสุข อย่าเพิ่เสียงกิจลดพลภาณต่างๆให้หยุดภารกิจเหล่านี้ไว้หนึ่งวันเพื่อมาทำภารกิจทางจิตใจมาหาความสุขมาสร้างความสุขให้กับจิตใจที่เป็นความสุขที่ยั่งยืน ที่จะอยู่คู่กับใจไปหลังจากที่ร่างกายนี้ตายไปแล้วความสุขที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นความสุขชั่วคราวความสุขที่ได้จากราบยศสรรเสริญจากการเสก ร, รูปเสียงกลิ่นรสผธพะชนิดต่างๆ เป็นความสุขที่อยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์คืออ น, นิจจังทุกขังอนัตตาอ น, นิจจังแปลว่าชั่วคราวไม่ยั่งยืนไม่ถาวรไม่คงที่มีการเจริญมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาเวลาเจริญก็ให้ความสุข เวลาเสื่อมก็จะให้ความทุกข์เป็นสิ่งที่ไม่มีใครควบคุมบังคับให้เป็นไปอย่า ง, ย, า ง, ย, างยั่งยืนและถาวรได้เรียกว่าเป็นอนัตตาอนิจจ์ทุกขังอนัตตาความเป็นอนิจจงจะทําให้เกิดความทุกข์ ต่อผู้ที่ไปเสพไปยินดีเวลามันเปลี่ยนไปหรือเวลามันหมดไปความทุกข์ก็จะเป็นผลตามมาแล้วก็เป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับให้มันไม่เสือ่อมให้มันไม่หมดทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เมื่อเกิดขึ้นมาแล้ว ไม่ช้าก็เร็วก็ต้องเสื่อมต้องหมดไปถ้าใครไปยึดไปติดไปพึ่งสิ่งเหล่านี้เวลาที่มันเสื่อมไปหมดไปมันก็จะสร้างความทุกข์ให้กับผู้ที่ไปยึดไปติดนั่นเองพระพุทธเจ้าทรงคนพบความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุข ที่ไม่เสื่อมความสุขที่จะอยู่คู่กับใจไปตลอดเป็นความสุขที่สามารถอยู่ภายใตย้ภายใต้การควบควบคุมบังคับของใจได้นั่นก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบของใจเป็นความสุขที่ จะอยู่คู่กับใจถ้ารู้จักวิธีสร้างความสุขนี้ขึ้นมาและรู้จักวิธีรักษาความสุขเหล่านี้แบบนี้ดืวยความสงบก็จะสามารถมีความสุขได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีอะไรหรือไม่มีอะไรก็ตาม ไม่ว่าจะมีลาบยศสารเสริญมีรูปเสียงกลิ่นรสผลิตะัมาให้เสษก็ตามหรือไม่ว่าจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ตามใจที่มีความสงบนั้นใจที่มีความสงบจะมีความสุขตลอดเวลา ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์อย่างไรก็ตามแล้วก็ไม่ต้องไปวุ่นวายกับการไปแสวงหาลาบยศสารเสริญไปแสวงหารูปเสียงกิดลด่ลรสผดทพะชนิดต่างๆมาเสกเพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบนี้เป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุข ทั้งปวงก็คือความสุขของโลกธรรมทั้งสี่ความสุขของลาบยศสละเสริญของรูปเสียงกินรสผลทพะสู้ความสุขที่ได้จากการทำใจให้สงบไม่ได้นี่แหละคือภารกิจของชาวพุทธเราในวันพระให้เรามาศึกษา วิธีการที่จะทำให้ใจของเราสงบทำให้ใจของเรามีความสุขและรักษาความสุขที่ได้จากความสงบนี้ให้อยู่คู่กับใจไปตลอดอันนี้หละคือหน้าที่ของชาวพุทธ <c oughs> ที่พระพุทธเจ้าท <c> ร <oughs> งมอบหมายให้กับชาวพุทธเรา มาทำกันมาสร้างกันขึ้นมามเพื่อที่เราจะได้มีความสุขตลอดเวลา<ม>โดยที่จะไม่ต้องไปพึ่งพาอาศัยสิ่งต่างๆไม่ต้องพึ่งพาลาบยศยเสริญและความสุขทางตาหูจมูกนิ้นกายเมื่อไม่ต้องพึ่งพา โลกธรรมทั้งสีน่นี้ก็ไม่จำเป็นที่จะต้องมีร่างกายไม่ต้องพึ่งพาร่างกาย<ม>เพราะว่าความสุขที่ได้จากความสงบของใจนี้ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ลาบยศเสรเสริไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะเมื่อได้ความสุข ที่เกิดจากความสงบแล้วร่างกายก็จะไม่มีความหมายจะมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายก็ไม่เป็นปัญหาเลยแต่ตอนนี้ถ้ายังไม่ได้สร้างความสุขที่เกิดจากความสงบนี้การมีร่างกายนี้ยังเป็นสิ่งที่จําเป็นอยู่ เพราะว่ายัางต้องใช้ร่างกายมาศึกษาพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าศึกษาศึกษาวิธีสร้างความสงบสร้างความสุขให้กับใจแล้วก็ปฏิบัตินำเอาวิธีที่พระพุทธเจ้าทรงสอนนี้ไปปฏิบัติให้ไปปฏิบัติจนจะสามารถ สร้างความสุขทางใจได้โดยที่ไม่ต้องใช้ร่างกายแล้วมเมื่อถึงจุดนั้นแล้วร่างกายก็หมดความสาคัญไปมไม่ต้องมีร่างกายอีกต่อไปถ้าร่างกายนี้ตายไปก็จะไม่กลับมามีร่างกายอันใหม่อีกต่อไปเมื่อไม่มีการกลับมามีร่างกายอันใหม่ คือเมื่อไม่มีการมีมีการเกิดใหม่ก็จะไม่มีความแก่ความเจ็บความตายอันอันใหม่ตามมาก็จะไม่มีความทุกข์ตามมาเพราะทุกข์นี้เกิดจากความการเกิดการแก่การเจ็บและการตายนี่เองแลการเกิดการแก่การเจ็บการตายก็เกิดจากการที่จะ จิตใจยังต้องพึ่งร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเป็นเครื่องมือหาความสุขทางโลกกระทำก็คือทางลาบยศสารนสนุกนี่ที่เป็นเหตุที่ทำให้ใจต้องมีมีร่างกายพอได้ร่างกายมาแล้วพอพอจเจริญเติบโตขึ้นมา ก็ใช้ร่างกายอันนี้ไปหาความสุขจากโลกธรรมคือลาบยศสรรเสริญและรูปเสียงกิ่นรสผธภาชนิดต่างๆแต่ความสุขของโลกธรรมนี้ <c oughs> เป็นความสุขที่ไม่จีรังถาวรแล้วก็ไม่ให้ความอิ่มความพอได้มาเท่าไหร่ก็ยังอยากได้เพิ่มขึ้นไปอยเรื่อยๆ ดังนั้นต่อให้เราได้เสพลาบยศสารเสนสุขมากน้อยเพียงไรก็ตามความอิ่มความพอในลาบยศสารเสญสุขนี้จะไม่เกิดขึ้นมาเมื่อร่างกายอันนี้ตายไปความอยากที่จะเสพโลกธรรมทั้งสี่ด้วยลาบยศสารเสญสุขนี้ ยังมีอยู่ในใจเพราะการเสพ ร, รูปสรธธ <Vocês. S 2> เสียงกิรลดผลพภะเสพราบยศสารเสรนี้ไม่ได้ทำให้ความอยากเสพหายไปไม่ได้ทำให้เกิดความอิ่มความพอเมื่อ <meet. S 2> ร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ที่จะหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสี่ก็จะเป็นตัวผลักดันให้จิตนี้ ไปหาร่างกายอันใหม่เพื่อที่จะได้มีร่างกายอันใหม่เป็นเครื่องมือในการหาความสุขจากโลกธรรมทั้งสิ่งและเมื่อมีร่างกายก็จะต้องมีความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายร่างกายนี้เป็นสิ่งที่มีคุณและมีโทษมีประโยชน์และก็มีภาระ คือเราสามารถใช้ร่างกายเอาไปทำอะไรต่างๆได้แต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นภาระ<ม>เป็นทุกข์เพราะว่าต้องมีการดูแลอย่างสม่ำเสมออย่างต่อเนื่องด้วยปัจจัยสี่ร่างกายนี้ขาดปัจจัยสี่ไม่ได้<ม>คือขาดอาหารขาดเครื่องนุ่หม่มขาดที่อยู่อาศัย ขาดยารักษาโลกไม่ได้ถ้ากาดปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งไปไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็จะต้องเกิดอาการอาภาษเกิดการเจ็บไข้ได้ป่วยและอาจจะถึงแก่ความตายต่อไปก็ได้การหาปัจจัยสีนี้จึงเป็นภาระที่หนักที่จะต้องทำอย่างต่อเนื่อง ทำตั้งแต่ตื่นจนหลับก็ว่าได้คือร่างกายนี้นอกจากต้องการอาหารแล้วก็ยังต้องการลมหายใจลมหายใจนี้ขาดไม่ได้เลยต้องคอยหายใจอยู่เรื่อยๆถ้าขี้เกียจหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อ น, นั้นถ้าหยุดหายใจเมื่อไหร่ก็ตายเมื่อ น, นั้นการที่จะมีชีวิตอยู่ได้นี้จึงต้องมีความขยันหายใจ หลัจากเอาลมหายใจเข้าร่างกายแล้วก็ยังต้องเอาธาตุน้ำเข้าร่างกายมาหล่อเลี้ยงร่างกาย mm hmm. ก็ต้องคอยดื่มน้ำดื่มของที่เป็นของเหลวอยู่เรื่อยๆ mm hmm. แล้วก็ต้องคอยเอาของที่เป็นของของแข็งคือธาตุดินได้แก่อาหารชนิดต่างๆ ที่มีธาตุดินผสมอยู่เช่นผักข้าวเนื้ออะไรต่างๆเหล่านี้เป็นเรื่องของธาตุดินที่จะมาบำรุงรักษาร่างกายที่เป็นธาตุสี่นี้ร่างกายนี้ทํามาจากธาตุสี่ทามาจากธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเวลามาผสมกันก็ทําให้เกิดเป็นอาการสามสิบสองขึ้นมา เกิดเป็นผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นเนื้อเป็นเอ็นเป็นกระดูกเป็นอวัยวะต่างๆเป็นม้ามเป็นปอดเป็นหัวใจเป็นตับเป็นไตเป็นลำไส้เป็นสมองแล้วก็เป็นน้ำชนิดต่างๆน้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำเงือน้ำมันคนน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูด นี่คือส่วนประกอบของร่างกายที่ทำมาจากธาตุสี่คือดินน้ํานมไฟที่จะต้องคอยบำรุงคอยสนับสนุนด้วยพระธาตุสี่จากภายนอกต้องหายใจต้องเอาธาตุลมเข้ามาด้วยการหายใจเอาธาตุน้ําด้วยการดื่ม น, น้าดื่มของเหลวต่างๆแล้วก็ต้องเอาธาตุดิน ด้วยการรับประทานอาหารต่างๆเข้าไปแล้วก็อ า, าศัยธาตุไฟที่ได้มาจากแสงแดดของพระอาทิตย์ทำให้ร่างกายนี้สามารถตั้งอยู่ได้จงึงเป็นภารกิจของใจที่จะต้องคอยรักษาคอยบำรุงขี้เกียจไม่ได้ขี้เกียจทรรมหากินก็อกตาย เจ็บไข้ได้ป่วยพวกเราทุกคนเลยต้องขยันทรมาหากินกันตลอดระยะเวลาหนึ่งอาทิตย์นี้เราก็ต้องไปทำงานอย่างน้อยก็ห้าวันด้ยกันเพื่อจะได้มีรายได้เอาเงินนี้ไปซื้อธาตุสีมาเสริมให้กับร่างกายในรูปแบบของอาหารในรูปแบบของเครื่องดื่มต่างๆนอกจากภาละเลี้ยงดูร่างกายแล้ว ยังต้องมีที่มีเครื่องนุ่งห่มให้ร่างกายไว้สวมใส่เพื่อป้องกันภัยที่อาจจะมากระทบได้ mm hmm. จากมาแมลงสว์กัดต่อยจากของแหลมของคมอะไรต่างๆ mm hmm. อันนี้ก็ต้องมีเสื้อผ้าผอนไว้สวมใส่แล้วก็ต้องมีที่หลบแดดหลบฝน mm hmm. ก็คือต้องมีที่อยู่อาศัย วเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็ต้องมียารักษาโรคนี่แหละคือภาระของใจเวลาที่มีมีร่างกายถ้าไม่มีร่างกายนี้ภาระอันนี้ก็จะไม่มีฮใจก็ไม่ต้องมากังวลมาวุ่นวายกับการเลี้ยงดูร่างกายนอกจากภาระที่ต้องเลี้ยงดูร่างกายแล้ว ก็ยังต้องมาแบกความทุกข์ที่ร่างกายให้กับใจก็คือเวลาร่างกายแก่ลงไปไม่สามารถทำอะไรได้คล่องแคล่วว่องไวและมีอาการเจ็บปวดตามส่วนต่างๆของร่างกายอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ที่ใจจะต้องมาแบกรับ แล้วก็ความทุกข์ที่เกิดจากเวลาที่เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาอันนี้ก็เป็นความทุกข์ที่ใจต้องแบกรับและเมื่อถึงเวลาที่จะตายใจก็ต้องมารับแ บ, บกรับความทุกข์ของความตายของร่างกายสรุปแล้วก็คือการมีร่างกายนี้มันเป็นทุกข์ไม่มีร่างกายได้จะดีกว่าการที่จะไม่มีร่างกายได้ เราต้องไม่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขตอนนี้เราอาศัยร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขเพราะเราต้องการความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผดพทพะชนิดต่างๆนั่นเองเราต้องการดูดูรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสน่าสัมผัสกับผดทพะที่มากระทบกับส่วนต่างๆของร่างกายของเรา ทำให้ร่างกายทําให้ใจของเราเกิดความสุขขึ้นมานี่คือสิ่งที่ทาพาให้ใจมาเกิดมามีร่างกายเพราะความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสพุทธะที่เรียกว่ากามตัณหาที่จะที่จะทำให้ใจต้องไปมีร่างกายแล้วก็ไปแบกภาระแบกความทุกข์ของร่างกาย เพื่อที่จะใช้ร่างกายนี้หาความสุขต่างๆจากรูปเิียงกินรสชนิดต่างๆแต่มันก็เป็นความสุขที่ไม่ให้ความอิ่มความพอเสดเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอยังอยากจะเสษอยู่นั่นดูอะไรแล้วก็ไม่พอได้ยินได้ฟังอะไรแล้วก็ไม่พอวันนี้ดูแล้วพรุ่งนี้ก็อยากจะดูอีก วันนี้ได้ฟังแล้วพรุ่งนี้ก็อยากจะฟังอีกต้องมีอะไราให้ดูให้ฟังอยู่เรื่อยๆถึงจะมีความสุขและยามใดที่ไม่สามารถที่จะเสบ ร, รูปเสียงกลิ่นลดผพ่าได้เวลานั้นก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาอีกนี่แหละคือปัญหาของใจที่ไปหลงเสบ รูปเสียงกลิ่นรสผดทะพะชนิดต่างๆเป็นการสร้างความทุกข์ต่างๆให้กับใจทุกที่ต้องมีร่างกายทุกที่ต้องเจอเวลาที่ไม่สามารถเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสได้บางทีอยากจะดูอะไรก็ไม่มีให้ดูอยากจะฟังก็ไม่มีอะไรให้ฟังหรือเวลา <c oughs> อยากจะดูอยากจะฟังแต่ ไปดูไปฟังไม่ได้เช่นร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยหรือบางครั้งก็ไม่มีเครื่องมือสนับสนุนเพราะการที่จะไปดูไปฟังไปเสบรูปเสียงกิ่นลดนี้บางทีก็ต้องใช้เงินทองถ้าไม่มีเงินทองก็จะไม่สามารถที่จะไปเสษรูปเสียงกิ่นลดได้ เวลาใดาที่ไม่สามารถเสพรูปเสียงกดลิ่นรสได้เวลานั้นก็จะเป็นเวลาของความทุกข์ใจนี่แหละคือเรื่องของความเง่ของใจที่ไปหลงคิดว่าการเสพลาบยศรลสริญการเสพรูปเสียงกดลดิ่นรสผลิภัณนี้เป็นการให้ความสุขกับตน ควมเป็นจริงแล้วมันเป็นความสุขเล็กๆน้อยๆเป็นเหมือนเหยื่อที่จะล่อให้ใจไปติดกับดักของความทุกข์นั่นเอง<ม>เป็นเหมือนเหยื่อที่ติดอยู่ปลายเบ็ดปลาที่ไม่ฉลาดพอเห็นเหยื่อก็หุบคิดว่าเป็นอาหารอันโอชะ<ม>พอหุบเหยื่อปั๊บก็จะถูกตะขอเบ็ดเกี่ยวปากทันทีแล้วก็จะถูก ดึงขึ้นจากน้ำลงไปสู่หม้อแกงต่อไปอันนี้ลักษณะเดียวกับใจใจที่มาฮุบเหยื่อมาติดอยู่กับราบยศสรรเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐพะชนิดต่างๆนี้ก็จะต้องถูกดึงให้เข้าไปอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดไม่มีวันสิ้นสุด การที่จะออกจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นี้สิ่งแรกที่จําเป็นที่จะต้องมีก็คือต้องมีคนฉลาดอย่างพระพุทธเจ้า <c oughs> มาเกิดในโลกนี้และมาพบความจริงว่าสัตวโลกอย่างพวกเรานี้กําลังอยู่ในกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดกันเพราะความหลงที่ไปเห็น การเสพลาบยศเสริญการเสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสผลตภะนี้เป็นการวิธีหาความสุขแต่ความเป็นจริงแล้วมันเป็นวิธีหาความทุกข์เพราะจะต้องพาให้ใจนี้ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ไปเรื่อยๆไม่มีวันสิ้นสุดความทุกข์ที่ได้จากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ ถ้ามานับแล้วจะนับไม่ได้นับไม่ไหวเพราะจํานวนมันมากท่านถึงให้เอาเอาน้ําตานี่มามาเป็นเครื่องวัดว่าในแต่ละภพแต่ละชาติที่มาเกิดนี้จะต้องมีการหลั่งน้ําตากันร้องหม่มร้องไห้กันอยู่เรื่อยๆถ้าเอาน้ําตาที่ได้หลังในแต่ละภพแต่ละชาตินี้ มารวมกันแล้วนี่จะได้น้ำตามากยิ่งกว่าน้ำในมหาสมุทรนั่นแหละคือจำนวนภพชาติจำนวนการเกิดแก่เจ็บตายของใจเพราะความอยากในลาบยศสรรเสริญในรูปเสียงกลิ่นรสนี่เองนี่แหละคือสิ่งที่พูะเจ้าได้ทรงตัดสินทรงค้นพบว่าสัตว์โลก คือใจของพวกเราทุกคนแลนะสัตว์โลกในภพภูมิเหมื่นไม่ว่าจะเป็นเดรัจฉานเป็นเปตเป็นอสูรกายเป็นนรกหรือเป็นเทพล้วนเป็นผู้ที่ยังเสกลาบยศเสรรสริญสุขอยู่จึงเป็นผู้ที่จะต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่ช้าก็เร็วแล้วก็มาแบกกองทุกข์แห่งการเกิดแก่เจ็บตายไปอยู่เรื่อยๆ อันนี้คือสิ่งที่พระเจ้าได้ทรงตัดสั่งนี่คือปัญหาของจิตใจของสัตว์โลกและวิธีที่จะแก้ปัญหาของสัตว์โลกนี้พระองค์ก็ทรงค้นพบว่าต้องเปลี่ยนวิธีการหาความสุขใหม่อย่าไปหาความสุขกับลาบยศเสริญกับรูปเสียงกลิ่นรสโถทอดพะเพราะจะนำไปสู่การเวียนว่ายตายเกิดที่ไม่มีวันสิ้นสุด ต้องเปลี่ยนวิธีเลิกหาความสุขจากราบยศเสริกรูปเสียงกลิ่นรสถั่วทพาให้มาหาวิธีที่ไม่ต้องใช้ร่างกายไม่ต้องใช้ราบยศเสริญแต่ในเบื้องต้นที่ต้องมาหาความสุขในรูปแบบใหม่นี้ยังจำเป็นต้องมีร่างกายอยู่เพราะยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือ ในการศึกษาค้นหาความรู้จากพระพุทธเจ้าหรือจากตัวแทนของพระพุทธเจ้าคือพระธรรมคำสั่งคำสอนหรือพระอริยสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าผู้ที่รู้จากวิธีสร้างความสุขแบบใหม่และเลิกความสุขแบบเก่าเลิกหาความสุขแบบเก่าจําเป็นที่จะต้องมีการศึกษาเรียนรู้วิธี วิธีการเปลี่ยนการหาความสุขตอนนี้เรารู้แต่วิธีหาความสุขจากราบยศ ส, สรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสเราไม่รู้จักวิธีที่ไม่ต้องใช้ราบยศ ส, สรรเสริญไม่ต้องใช้รูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเราเราจึงต้องศึกษาจากผู้รู้อย่างพระพุทธเจ้าหรือจากพระอริยสงสาวกหรือถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าหรือไม่มีพระอริยสงสาวก ก็ต้องศึกษาจากพระธรรมคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไวในพระไตรปิฎกพระไตรปิฎกนี้เป็นคำพีที่บันทึกคำสั่งคำสอนวิธีหาความสุขแบบใหม่ที่พระเจ้าได้สรงค้นพบเราต้องเรียนรู้ว่าการหาความสุขแบบใหม่นี้หาอย่างไรกันเมื่อเราเรียนรู้แล้วเราก็จะได้นำเอาไปปฏิบัติ ช่วงที่เราเรียนรู้และช่วงที่เรากำลังปฏิบัตินี้เรายัางต้องมีร่างกายยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือถ้าไม่มีร่างกายแล้วเราจะไม่สามารถที่จะมาศึกษาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าได้เราจะไม่สามารถที่จะนำเอาคำสั่งคาสอนของพระพุทธเจ้าไปปฏิบัติได้ดังนั้นการมีร่างกายนี้ถึงแม้จะมีโทษอย่างมหาหันก็ตาม แต่ก็กลับจะกลายเป็นสิ่งที่มีคุณมีประโยชน์อย่างมากถ้าเรามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่ในโลกนี้แต่ถ้าเรามาเกิดในยุคที่ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วการมีร่างกายนี้มันก็ไม่ได้มีคุณประโยชน์อะไร<ม>นอกจากการหาความสุขแบบชั่วคราวไปวันวันหนึ่งแล้วก็ต้องมาแ บ, บกองทุกข์ของความแก่ของความเจ็บของความตายไป แต่ถ้ามาเกิดในยุคที่มีพระพุทธศาสนาปรากฏอยู่ในโลกนี้มีผู้ที่นำเอาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่มีบันทึกไว้ในพระไตรปิฎกก็ดีหรือ<ม>เอาธรรมะที่ได้เกิดจากการปฏิบัติก็ดีมาเผยแผ่สั่งสอน<ม>การมีร่างกายของมนุษย์นี้จึงเป็นของที่มีคุณมีค่าอย่างยิ่งเนี<ม>่ย พิกจากการมีมีร่างกายที่เป็นกองทุกข์กับกายมาเป็นร่างกายที่มีคุณค่าคุณค่ายิ่งกว่าสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ถ้ามีพระพุทธศาสนาปรากฏขึ้นมาในโลกนี้แต่ถ้าไม่มีพระพุทธศาสนาการมีร่างกายก็ไม่มีคุณค่าอะไรมากไปกว่าการหาความสุขชั่วครั้งชั่วคราว แล้วก็ต้องแบกกองทุกข์ของความแก่ความเจ็บความตายไป mm hmm. พวกเราจึงถือว่าเป็นพวกที่มีโชคมีวาสนามีบุญ mm hmm. ที่ได้มามีร่างกายของมนุษย์และได้มาเจอกับพระพุทธศาสนาถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เจอกับพระพุทธเจ้าโดยตรงก็ตามแต่พระพุทธเจ้าทรงมอบตัวแทนของพระพุทธเจ้าไว้ที่พระธรรมคาสอน ที่นี่มีการจดจำมันทึุเอาไว้ในพระไตรปิฎกและพระอริยสงสาวกุกพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบจนสามารถมีดวงตาเห็นธรรมเห็นธรรมที่พูะเจ้าได้ทรงสอนเห็นวิธีการหาความสุขแบบรูปแบบใบให้มาเป็นผู้ที่ให้ความรู้ให้คาปรึกษาให้คําตอบ เนแล้วมีข้อสงสัยที่เกี่ยวกับการปฏิบัติว่าปฏิบัติอย่างไรถึงจะปฏิบัติได้ผลได้ถูกต้องตอนนี้เราจึงต้องรักร่างกายของเราให้มากๆสมวนรร่างกายของเราดูแลร่างกายของเราให้ดีแต่ไม่ใช่ดูแลเพื่อให้ไปหาราบยศสรรเสริญหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆมาเสร แต่ให้ดูแลร่างกายนี้เพื่อที่เราจะได้เอาร่างกายนี้มาศึกษาวิธีหาความสุขที่แท้จริงที่ถาวรที่จะทำให้เราไม่ต้องพึ่งการเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปอันนี้แหละคือสิ่งที่เราต้องดูต้องเข้าใจ และเราจะเห็นคุณค่าของร่างกายของเราตอนนี้ว่ามันมีคุณค่ามหาศาลถึงแม้ว่าเราจะมีความมาพับทางใดทางหนึ่ง<ม>เช่นอาจจะมีโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน<ม>หรือมีมีความยากจนมไม่ร่ําไม่รวยไม่สวยไม่งามเหมือนกับคนบางคนก็ตาย<ม>แต่ถ้าเรามีร่างกายนี้ที่เราสามารถเอามาใช้กับการศึกษา กับการปฏิบัติตามคำสั่งคำสอนของพระพุทธเจ้าได้นี้เราต้องมีความยินดีและมีความพอใจและต้องมีความรักร่างกายนี้มากๆอย่าไปคิดฆ่าตัวตายเ<ม>ช่นบางทีเราอาจจะเจอความทุกข์มารุมล้อมจนกระทั่งไม่เห็นทางออกขอให้เราเริมนึกถึงคุณประโยชน์ของร่างกาย ว่าร่างกายนี้เราสามารถเอามาใช้กับการศึกษากับการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้าได้ถึงแม้ว่าเราอาจจะอยู่ในภาวะสิ้นเนื้อประดาตัวสิ้นทุกสิ่งทุกอย่างแต่เรายังมีร่างกายของเราอยู่อย่าไปคิดทำลายร่างกายเอาร่างกายนี้เข้าหาพระธรรมกันดีกว่า เอาร่างกายนี้มาศึกษาพราะธรรมคาสอนเอาร่างกายนี้มาปฏิบัติสร้างความสุขในรูปแบบใหม่แล้วพอเราได้สร้างความสุขในรูปแบบใหม่มได้สมบูรณ์แล้ว<ม>การมีร่างกายหรือไม่มีร่างกายนี้ก็จะหมดปัญหาไปไม่จำเป็นจะต้องพึ่งร่างกายนี้ต่อไปแต่ตอนนี้ถ้าเรายังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นไปถึงจุดสูงสุด ข, ของความสุข ที่เกิดจากความสงบ<ม>เรายังต้องดูแลรักษาร่างกายของเราให้ดี<ม>เพื่อที่เราจะได้เอามาศึกษาเอามาปฏิบัติทำขั้นต่างๆตามลำดับ<ม>เพื่อสร้างความสุขของใจขึ้นมาตามลำดับ<ม>ตามกำลังตามฐานะของเรา<ม><ม>วิธีสร้างความสุขของใจก็คือต้องทำใจให้สงบ เหตุที่ใจของเราไม่สงบก็เกิดจากความอยากนี้เองความอยากในลาบยศสารเสริญความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผลผลชนิดต่างๆนี้มันจึงทำให้ใจเรานี้ไม่สงบไม่นิ่งมันดิ้นรนดิ้นหาดิ้นหาเงินหาทองหายศหาตำแหน่งหาสารเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกิ่างกายกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนจะว่าได้ ตั้งแต่ตื่นจนหลับเนี่ยไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรเลยคิดแต่เรื่องหาลาบยศต ะ, ะเสริญหาความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสผดถภ า, าชนิดต่างๆนี่นี่แหละมันจึงทําให้ใจเราไม่เคยมีความสุขไม่มีความสงบเลย<ม>ลพระพุทธเจ้าจึงต้องสอนวิธีที่จะทําให้ใจเราสงบด้วยการระ ง, งับความอยากต่างๆก็ขึ้นอยู่กับ สถานภาพของเราว่าใจของเราไม่ไมสงบเพราะความอยากแบบไห น, น mm hmm. ถ้าเรามีความอยากที่จะหาความสุขจากรูปเสียงกลิ mm ่นรถเราก็ต้องใช้เงินใช้ทอง mm hmm. ไปซื้อ mm hmm. ไปเที่ยวก็ต้องใช้เงินทอง mm hmm. ไปดูไปฟังภาพยนตร์ละครหรือคอนเสิร์ตอะไรต่างๆ ไปดื่มไปรับประทานอะไรต่างๆของเหล่านี้ต้องใช้เงินใช้ทองใช่ไหมมันจึงทําให้เราต้องอยากมีเงินมีทองกันก็เลยต้องดิ้นรนหาเงินหาทองกันถ้าเป็นแทบตายกันพอได้เงินได้ทองมาแล้วก็เอาเงินทองเหล่านี้ไปซื้ อ, อ, อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสผลพระชนิดต่างๆ ซื้อมาแล้วเสกไปแล้วมันก็หมดไปแล้วก็ต้องไปหาเงินหาทองมาซื้อใหม่เรื่อยๆหาไปเท่าไหร่ก็ไม่มีวันอิ่มไม่มีวันพอหาไปจนวันแก่วันตายจนกระทั่งไม่สามารถจะหาได้ช่วงเวลาที่ไม่สามารถหาเงินหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสได้ช่วงนั้นก็จะอยู่กับความซึมเศร้าความเหงาเศร้าซ้อยหงอยเหงาเพราะไปร่วม กับคนนั้นคนนี้เขาไม่ได้ไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไม่ได้อยู่กับบ้านไปหรืออยู่ที่โรงพยาบาลถ้าเจ็บไข้ได้ป่วยช่วงนั้นก็จะเจอแต่ความทุกข์อย่างวิธีที่พูุ้ทธเจ้าจะให้เราตัดการใช้เงินใช้ทองเพื่อไปซื้อความสุขเหล่า น, นี้ก็เวลาที่เรามีเงินทองแล้วเราอยากจะไปซื้อความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรถ ไม่ว่าจะไปเที่ยวที่นั่นที่นี่ไปกินไปดื่นที่นั่นที่นี่ไปดูไปฟังอะไรหรือไปซื้อของฟุ่มเฟือยอะไรต่างๆของสวยของงามที่ไม่จำเป็นจะต้องมีที่ไม่จำเป็นจะต้องซื้อท่านบอกว่าให้เอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับความสุขเหล่านี้ให้เอามาใช้กับการทำบุญทาทานจะดีกว่าเพราะถ้าเราดึงเอาเงินทองที่จะไปใช้กับความอยากนี้ได้ ความอยากที่จะใช้เงินทองก้อนนี้ก็จะหายไปเพราะมันไม่มีให้ใช้เมื่อเราเอาไปทําบุญทำทานแทนเชแทนที่จะไปเที่ยวเราก็เอาเงินไปทำบุญทำทานทาที่ไหนกับใครก็ได้ที่เราเห็นว่าเป็นสิ่งที่เราอยากจะทำบางคนก็อยากจะทำกับวัดก็ไปทำที่วัดบางคนอยากจะทำกับโรงพยาบาลก็ไปทำกับโรงพยาบาลอยากทำกับ องค์กรสาธารณกุศลอะไรต่างๆก็ทำได้ทั้งนั้นหรือทำกับบุคคลก็ได้หรือทากับแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ได้บางคนก็ไปถ่ายชีวิตของวัวของควายบางคนก็ไปปล่อยนกปล่อยปลาวิธีการเหล่านี้เป็นการดึงเอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับสิ่งที่เป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจสิ่งที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจคือ ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเอาเงินทองที่เราจะไปใช้กับการซื้อรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเหล่านี้มาใช้กับการทำบุญทาทานแล้วเราจะได้ความสุขแบบใหม่เพราะว่าเมื่อใจเราเระงับความอยากโดยการไม่ใช้เงินทองตามความอยากอยากไปเที่ยวก็ไม่ไปเอาเงินที่จะไปเที่ยวนี้ไปทำบุญทาทานแทน พอเราละอับความอยากไปเที่ยวได้ความสงบของใจก็ปรากฏขึ้นในระดับหนึ่งจะทำให้รู้สึกเราเบาใจสบายใจขึ้นมีความอิ่มสุขใจขึ้นมาจากการที่เราได้ทำบุญทําทาน<ม>คือเงินที่เราเอามาแล้วเราต้องเอาไปทำบุญทําทานถ้าเราเก็บเอาไว้เดี๋ยวความอยากที่จะเอาไปใช้กับความอยากของรูปเสียงกลิ่นรสมันยัง มันยังมีมันยังสามารถดึงไปได้อยู่เพราะฉะนั้นเราอยากเก็บเอาไว้ถ้าเราไม่จำเป็นจะต้องมีเงินก้อนนี้ไว้ใช้ในเรื่องของการเลี้ยงดูร่างกายในเรื่องของปัจจัยสี่อย่ากเก็บเอาไว้อย่ามีไว้เพราะเดี๋ยวความอยากที่จะเอาไปใช้กับรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะมาหลอกดึงเอาไปได้นี่เอาไปทําบุญเสียเลยเช่นเรา จะเอาเงินนี้ไปเที่ยวเปลี่ยนใจไม่ไปเที่ยวดีกว่าไปทำบุญดีกว่าไปอยู่วัดไปปฏิบัติธรรมดีกว่าอย่างนี้ก็ทำไปเลยเมื่อทำแล้วใช้เงินก้อนนี้ไปกับการทำบุญทำทานแล้วความอยากที่จะใช้เงินไปเที่ยวมันก็ไม่มีโอกาสแล้วมันก็เลยทาให้ความอยากนั้นสงบตัวลงพอมันสงบตัวลงความอยากค ว, ความไม่สบายใจมันก็หายไป ความเย็นใจความสุขใจก็ปรากฏขึ้นมาจากการที่เรานำเอาเงินนี้ไปทำคุณทำประโยชน์เวลาที่เราทำอะไรด้วยความเมตตากรุณาจะทำให้ใจเราเย็นทำใจให้เราสงบทำให้ใจเรามีความสุขนี่คือการสร้างความสุขในระดับของทานซึ่งเป็นระดับเบื้องต้นที่ที่คนส่วนใหญ่จะ ควรจะทำกันเพราะว่าคนส่วนใหญ่นี้ตอนนี้ก็ยังใช้เงินทองไปกับการทาตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสผุดพะกันโดยที่ไม่รู้หรอกว่าการหาความสุขด้วยความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันเป็นการต่ออายุของการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นการต่อกำลังของความอยากให้มีเพิ่มมากขึ้นไม่ใช่ให้มีน้อยลง ทุกครั้งที่เราทาตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้ความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้มันจะมีกำลังมากขึ้นเมื่อมันมีกำลังมากขึ้นมันก็จะเดึงให้เราไปเวียนว่ายตายเกิดได้นานขึ้นนั่นเองได้มากขึ้นแต่ถ้าทุกครั้งที่เรามีความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสแล้วและเราฝืนมันไม่ไม่ทำตามมันด้วยการเอาเงินทองที่เราจะใช้กับการไปทาตามความอยากในรูปเสียงกลิ่นรส เอาไปใช้กับการทำบุญทำทานความอยากอันนี้มันก็จะลดน้อยลงไปกาลังของมันก็จะน้อยลงไปจำนวนของภพชาติที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดมันก็จะลดลงโดยโดยทันทีมันตามมาทันทีโดยอัตโนมัติตัวที่ผลักดันให้ใจไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่นี่ก็คือความอยากถ้าอยู่ความอยากมากมีแรงมากก็จะไปเวียนว่ายตายเกิดได้มาก ถ้าความอยากน้อยการที่จะไปเวียนว่ายตายเกิดก็จะเหลือน้อยเห็นทุกครั้งที่เราเอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากในรูปเสียงกินลถในสิ่งต่างๆที่ไม่จำเป็นในของฟุ่มเฟือยต่างๆของหรูหราต่างๆเราเอามาใช้กับการทาบุญทำทานขอให้เรารู้ว่าเรากำลังลดภพชาติลดการเวียนว่ายตายเกิดลดน้ําตาที่มีมากเท่ากับมากกว่าน้าในมหาสมุทรนี้ ให้มันน้อยลงไปและให้มันหายไปในที่สุดทุกครั้งที่เราฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากนี้เรียกว่าเรากำลังลดความทุกข์ที่เกิดจากการเวียนว่ายตายเกิดเพราะเราจะลดจานวนของการเวียนว่ายตายเกิดลงและลดความทุกข์ที่เกิดจากความอยากแล้วไม่ได้เสืรูปเสียงกลิ่นลดลงแต่เราแต่ถ้าเราไม่ได้เสืรูปเสียงกลิ่นลด แต่เราไปไปเสพบุญแทนไปทําบุญทําทานแทนความทุกข์ก็จะไม่เกิดความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสจะไม่เกิดเพราะเรามีความสุขมาทดแทนดับความทุกข์ที่เกิดจากการไม่ได้เสพรูปเสียงกลิ่นรสได้ด้วยการนำเอาเงินที่เราจะไปใช้กับความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสนี้มาให้กับการทําบุญทําทานแทนนี่คือเรื่องของหน้าที่ของทานการทําทานนี้เพื่อ ให้เรายุติหรือลดการใช้เงินใช้ทองไปกับความอยากทางรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆแล้วมันจะทำให้ใจเราสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นในระดับของฐานแต่ยังไม่สุขแบบเต็มที่เต็มร้อยยังมีวิธีการที่เราจะต้องปฏิบัติทำใจของเราให้สงบมากไปกว่า น, นี้อีก เมื่อเราทําขั้นทานได้แล้วก็ให้มาทําขั้นศีลซึ่งเป็นวิธีการที่จะระงับความอยากที่จะไปทําในสิ่งที่เสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้เพราะการไปสร้างความทุกข์สร้างความเสียหายเดือดร้อนให้แก่ผู้นี้มันจะทําให้ความทุกข์ความเสียหายเดือดร้อนนี้มันกลับมาหาเรามันเป็นเหมือนลูกเปิงปอง เราตีลูกปิงปองเข้าข้งางฝามันก็มันก็จะเด้งกลับมาหาเรานั่ในใดเราทำบาปทำกรรมเราให้ความทุกข์แก่ผู้ความทุกข์นั้นมันก็จะกลับมาหาเราเราไปตีเขาเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาตีเราเราไปด่าเขาเขาก็ต้องมาด่าเราเราไปลักทรัพย์ของเขาเขาก็จะต้องมาทวงคืนมาเอาคืนนี่คือการ ระงับความทุกข์ที่เกิดจากการกระทำบาปเราต้องรักษาศีลห้าให้ได้เพราะศีลห้านี้เป็นวิธีการที่เราจะลดความทุกข์ในใจของเราให้น้อยลงที่เกิดจากความอยากความอยากจะไปลักทรัพย์อยากจะฆ่าสัตว์อยากจะประพฤติผิดประเณีอยากจะโกหก อยากจะดื่มของบุญเมาต่างๆอันนี้เป็นความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ให้กับใจถ้าเรารักษาสีลห้าได้เราก็จะระงับความอยากตัวที่มาสร้างความทุกข์ให้กับใจที่เกิดจากการกระทำบาปได้ น, นี่คือข้อต่อไปที่เราจะต้องทำถ้าเราอยากจะทำให้ใจเราสงบทำให้ใจเราเย็นเพราะการกระทำบาปนี้มันจะทำให้ใจเราร้อน ใจเราเครียดใจเราทุกข์ใจเราจะไม่สบายใจเราจะมีความหวาดวิตกหวาดกลัวต่อผลบาปที่เราได้ทำเอาไว้นั่นเองแต่เวลาที่เราไม่ได้ทำบาปนี้ใจเราจะรู้สึกเย็นสบายไม่หวาดกลัวต่อวิบากกรรมเพราะเราไม่ได้สร้างวิบากกรรมอะไรขึ้นมาเมื่อไม่มีการสร้างวิบากกรรมไม่มีการสร้างบาปกรรม วิบากของกรรมของบาปมันก็จะไม่เกิดขึ้นเพราะวิบากมันเป็นผลการกระทำบาปนี่มันเป็นเหตุทำบาปแล้วมันก็จะทำให้เกิดวิบากกรรมขึ้นตามมาตามมาทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่ในขณะที่มีร่างกายและตามมาหลังจากที่ร่างกายของเรานี้ตายไปแล้วร่างกายตายไปแล้วแต่ใจของเรานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกาย เพียงแต่ว่าเรามองไม่เห็นใจทัานเองเพราะใจเป็นเป็นมนุษย์ล่องหนร่างกายนี้เป็นมนุษย์ที่เราเห็นได้ด้วยตาของร่างกายแต่ตาของร่างกายนี้ไม่สามารถมองเห็นร่างกายของใจได้ร่างกายของใจนี้ก็คือกายทิพย์นี้เองเป็นส่วนละเอียดที่ตาของร่างกายที่มีตาหยาบนี้มองไม่เห็น วิธีที่จะมองเห็นกายทิพนี้จําเป็นจะต้องใช้ตาทิพวิธีที่จะใช้ตาทิพได้ก็ต้องเกิดจากการไปฝึกสมาธินั่นเองไปนั่งสมาธิทําใจให้สงบเวลาใจสงบแล้วตาทิพก็จะโผล่ขึ้นมาจะทําให้เห็นร่างทิพกายทิพคือใจได้แล้วจะรู้เลยว่าอ๋อใจนี้เป็นสิ่งที่ไม่ตายไปกับร่างกาย แน่ใจนี่แหละที่ไปรับโทษจากการกระทำบาปใจจะทุกข์ใจจะร้อนใจจะวุ่นวายใจที่ทุกข์ใจที่ร้อนใจที่วุ่นวายก็เป็นใจที่จะไปอยู่ในอบายไปอยู่เป็นเปรตเป็นอสูรรกายหรืออยู่ในนรกหรือถ้าไปได้ร่างกายก็จะไปได้ร่างกายของสัตว์เดรัจฉาน นี่คือสิ่งที่ถ้าผู้นั่งสมาธินั่งจนจิตสงบนิ่งจิตรวมเป็นหนึ่งแล้วตาทิพก็จะปรากฏขึ้นมาทำให้เห็นกายทิพคือใจจะทำให้เชื่อบาปเชื่อบุญร้อยเปอร์เซนว่าบาบุญนี้มีจริงตายไปแล้วนี่ไม่สูญถ้ามองเห็นแต่เพียงร่างกายนี้ ก็ จ, จะไปคิดว่าบุญที่ทำไว้ก็ดีบาปที่ทำไว้ก็ดีนี้มันไม่มีผู้ไปรับผลเส็จแล้วเพราะผู้ผู้กระทาก็คือร่างกายแล้วพอร่างกายตายไปแล้วกลายเป็นขี้เท่าขี้ฐานไปแล้วใครจะเป็นคนผู้ไปรับบุญรับบาปต่อไปอันนี้ถ้ามองร่างกายมองด้วยตายาบของร่างกาย ก็จะเห็นเพียงแต่ร่างกายแต่ไม่เห็นผู้บงการร่างกายที่อยู่ข้างหลังร่างกายผู้ที่คอยกระซิบคอยสั่งให้ร่างกายทำอะไรนี้ไม่ใช่ร่างกายนะร่างกายนี้คิดไม่เป็นสั่งไม่เป็นผู้ที่คิดได้ผู้ที่สั่งร่างกายให้ทำอะไรนั้ก็คือใจคือกายทิพย์นี่เองแต่เรามองไม่เห็นกายทิพย์กันแต่เราอยู่ มีกายทิพย์คอยบงการอยู่ตลอดเวลา<ม>การที่ท่านทั้งหลายมาอยู่ที่นี่ได้ก็เพราะกายทิพย์นี่แหละเป็นผู้สั่งสั่งให้ร่างกายว่าเดี๋ยววันนี้มาฟังเทศฟังธรรมกันพอถึงเวลากายทิพย์ก็สั่งให้ร่างกายเคลื่อนไหวเดินทางมาสู่สถานที่นี้<ม>ผู้ที่สั่งการนี้ไม่ใช่สมองมที่อยู่ในร่างกายเพราะสมองคิดไม่ได้ผู้ที่คิดได้ก็คือกายทิพย์ ที่เรามองไม่เห็นจะเห็นได้ก็ต่อเมื่อเราเปิดตาทิพย์จะเปิดตาทิพย์ได้เราก็ต้องนั่งสมาธิทำใจให้สงบทำใจให้นิ่งทำใจให้รวมเป็นหนึ่งพอใจรวมเป็นหนึ่งแล้วตาทิพย์ก็จะปรากฏขึ้นมาให้เห็นให้เห็นกายทิพย์ให้เห็นล่างทิพย์ขึ้นมาใครที่เข้าสมาธิได้แล้วนี่จะไม่สงสัยในเรื่องการเวียนว่ายตายเกิด จะไม่สงสัยในเรื่องบาบุญคุณโทษนรกสวรรค์ต่างๆนี้จะเห็นจริงจะรู้จริงว่ามีจริงไม่ได้มีอยู่ในโลกนี้สวรรค์ไม่ได้อยู่ในโลกนี้นรกไม่ได้อยู่ในโลกนี้ต่อให้ส่งจรวดขึ้นท้องฟ้าไปสูงขนาดไหนก็จะไม่เจอสวรรค์ในจักรวาลนี้ไม่มีสวรรค์ต่อให้ขุดลึกลงไปในดินขนาดไหนก็จะไม่เจอนรก โลกนี้ไม่ได้อยู่ในจั ก, กรวาลสวรรค์นี้ก็ไม่ได้อยู่ในจั ก, กรวาลแต่อยู่ในโลกทิพย์โลกทิพย์ที่กายทิพย์นี่แหละเป็นผู้อยู่เป็นผู้ที่จะไปรับผลบุญผลบาปต่างๆ น, นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องทำขั้นที่สองนอกจากการทำบุญทำทานเพื่อรับความอยากที่จะใช้เงินไปซื้อความสุขทางตาหูจหมูกเนื้อง่าย เราก็ต้องมาระงับระงับความอยากที่จะทำบาปด้วยการรักษาศีลห้ากันไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิตประเพณีไม่พูดปดยไม่ดื่มสุราของมึนเมาต่างๆ <c oughs> อันนี้ถ้าเราทำได้เราก็จะระงับความอยากที่จะทำบาปได้เ <c oughs> มื่อความอยากถูกระงับไปใจก็จะเย็นใจก็จะสงบขึ้นมา เวลาที่เราไม่ทำบาปกับเวลาที่เราทำบาปนี้ใจเราจะต่างกันเวลาทำบาปนี้ใจเรารู้สึกร้อนวิตกกังวลหวาดกลัวเวลาไม่ได้ทำบาปนี้ใจเย็นใจสบายไม่วิตกไม่กังวลไม่หวาดกลัวกับอะไรท่านั้นเพราะไม่ไปทำอะไรเมื่อไม่ไปทำอะไรก็จะไม่มีความรู้สึกกลัวอะไรไม่มีโทษใครมาถามก็พูดได้เต็มปากว่าไม่ได้ทา แต่คนที่ทำไปแล้วนี่เวลาใครก็ถามนี่บางทีก็พูดไม่เต็มปากพูดไปก็รู้สึกไม่สบายใจเพราะยิ่งมัดตัวเองให้ให้ให้หนักขึ้นไปเองทำผิดแล้วยังไม่พอยังมาทำมาโกโหกเองซึ่งเป็นการทำบาปอีกข้อหนึ่งถ้ายอมสารภาพเสียกลับจะสบายใจกว่าพยายามรับว่าเราผิดทำผิดไปแล้วความวิตกความหวาดกลัวที่เกิดจากการทาผิดมันก็จะหายไป พร้อมที่จะรับโทษเมื่อเราพร้อมที่จะรับโทษแล้วใจของเราก็จะเย็นลงมาได้ถึงแม้จะมีโทษตามมาก็จะไม่ก็จะไม่ทุกข์จะไม่ร้อนจะรับโทษ ด, ด้วยความเย็นด้วยความสบายใจในี่คือขั้นที่สองที่เราจะต้องปฏิบัติกันเพื่อรับความอยากที่มาสร้างความไม่สงบให้กับใจของเราเพื่อให้ใจของเราอยู่อย่างสงบ เพียงแต่เราทำสองขั้นนี้ได้เราก็จะมีความสุขในระดับต้นๆแล้วเราจะรู้สึกสบายใจสุขใจเราจะไม่มีความอยากที่จะไปเที่ยวที่นั่นเที่ยวที่นี่ไปดูนั่นนู่นนี่ไปซื้อของฟุ่มเฟือยต่างๆซื้อของหรูหราซื้ออะไรต่างๆมาเมื่อไม่มีความอยากเหล่านี้แล้วใจมันจะเย็นใจจะสบายเมื่อเราเอาความเอาเงินทองที่เราจะไปซื้อความอยากต่างๆนี้ ไปทำบุญทาทานแทนแล้วเราก็มารักษาศีลห้ากันรักษาศีลห้าเพื่อระงับความอยากที่มาสร้างความร้อนใจความกังวลใจแล้วขั้นต่อไปเราก็มาทำใจให้สงบมากขึ้นกว่า น, นั้นทานก็ทำให้ใจสงบได้ในร ะ, ระดับของทานศีลก็ทำใจให้สงบได้ในระดับของศีลแต่ ในระดับที่ละเอียดกว่า น, นั้นที่ลึกกว่า น, นั้นทานและศีลยังทำไม่ได้ใจยังเกิดความกาวลกาวายเกิดความทุกข์เกิดอะไรจากความอยากที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดไปได้อยู่อันนี้จำเป็นที่จะต้องใช้วิธีที่สามก็คือการทำสมาธิฝึกสมาธิทำใจให้สงบเพราะเวลาที่ใจไม่สงบนี้ ความอยากต่างๆที่ยังไม่ได้ถูกกำจัดไปด้วยทานด้วยศีลมันก็ยังสามารถออกมาสร้างความกังวลกัวายได้เช่นความอยากมีอยากเป็นอยากทำนู่นทำนี่อยากได้นั่นอยากได้นี่อะไรต่างๆที่เรียกว่าภาวะตัณหามีภาวะตัณหานี่ความอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากเป็นนู่นเป็นนี่มันก็ยังทำให้ใจเราวุ่นวายได้อยู่ เราก็ต้องมาฝึกสมาธิเพื่อมาหยุดใจหยุดความคิดที่จะเป็นเครื่องมือของความอยากถ้าเราใช้สติฝึกสติคอยควบคุมความคิดอยู่ความคิดได้เวลานั่งสมาธินี้ใจจะนิ่งใจจะเย็นใจจะสงบใจจะมีความสุขและเป็นความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากโลกธรรมทั้งสี ราบยศสรรเสริญและความสุขจากรูปเสียงกิ่นรสต่างๆนี่ถ้าเราได้ความสุขจากสมาธิแล้วนี้เราก็พยายามทําบ่อยๆทุกครั้งที่เราอยากจะได้ความสุขจากราบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกินรสแล้วก็เปลี่ยนวิธีมาหาความสุขจากการทําสมาธินั่งทําสมาธิไปทําอย่างนี้ไปเรื่อยๆต่อไปใจของเราก็ไม่ต้องไปหาก็ไม่ต้องไปหาความ สุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลดดิ่นรสได้แล้วยิ่งถ้าเราใช้ปัญญาสอนใจว่าการไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสนี้เป็นการไ ป, ไปสร้างพบสร้างชาติให้กับใจที่จะต้องใบแบบทุกข์ของการเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างไม่มีวันสิ้นสุดถ้าถึงขั้นปัญญาได้ก็จะทำให้ใจนี้ตัด การหาความสุขจากลาบยศสารเสริญสุขได้อย่างแท้จริงและถาวร<อ>การระงับความสุขการหาความสุขจากลาบยศสารเสริมด้วยการทำสมาธินี้เป็นการระงับแบบชั่วคราวเวลอาออกจากสมาธิมาความอยากในลาบยศสารเสริญ ส, สุขก็ยังสามารถโผล่ขึ้นมาได้อยู่ถ้าต้องการให้ความอยากในลาบยศสารเสริญ ส, สุขนี้หมดไปอย่างถาวรก็ต้องใช้ปัญญา คือต้องสอนใจให้เห็นปลายลักษณ์เห็นว่าลาบยศสารเสริญสุขนี้มันเป็นทุกข์ทุกว่ามันเป็นของชั่วคราวเป็นของไม่เที่ยงทุกว่าเป็นของที่เราควบคุมบังคับให้มันเที่ยงไม่ได้นั่นเองอันนี้คือขั้นของปัญญาถ้าเราไปถึงขั้นปัญญาได้แล้วสามารถสอนใจให้เลิกหาลาบยศสารเสริญสุขได้แล้วใจเราก็จะได้ไม่ต้องกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ตต่อไปอันนี่แหละคือ วิธีหาความสุขในรูปแบบใหม่หาความสุขจากการทำใจให้สงบวิธีทำใจให้สงบก็ทำเป็นขั้นเป็นตอนไปขั้นแรกก็ทำทานขั้นที่สองก็รักษาสีงขั้นที่สามก็ฝึกสมาธิขั้นที่สี่ก็ใช้ปัญญาสอนใ จ, จนเจริญปัญญาให้เห็นไตรลักษณ์ถ้าสามารถทําได้ถึงขั้นที่สี่แล้วใจก็จะได้ความสงบอย่างถาวร เมื่อม่ความสงบอย่างถาวรแล้วใจก็ไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไป<ม>ความทุกข์ต่างๆที่เกิดจากที่มีอยู่ในขณะ น, นี้มันก็จะหมดสิ้นไป<ม>เพราะจะไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปแล้ว<ม>ถึงแม้ตอนนี้ถ้ายังไม่ตายใจก็ไม่ทุกข์กับอะไรอีกแล้วเพราะความอยากที่มีอยู่ในใจนั้นได้ถูกกรรจาจัดไปหมดสิ้นแล้วนั่นเอง ใจก็จะอยู่ไปเรื่อยๆจนกว่าร่างกายจะหมดอายุขายไปเมื่อหมดอายุขายแล้วใจก็อยู่ในโลกที่ต่อไปอยู่ในสวรรค์ชั้นนิพพานต่อไปไม่มีวันสิ้นสุดไม่ต้องมาเวียนว่ายตายเกิดในตายพบอีกต่อไปนี่คือหน้าที่ที่พู้เจ้าทรงมอบให้กับชาวพุทธเราให้มาปฏิบัติกันในวันธรรมสวนะัสวมันพระนี่เอง ให้เราพยายามทํากันอย่างต่อเนื่องทุกวันพระเมื่อแล้วต่อไปเราจะทําเพิ่มมากขึ้นไปเองเพราะเราจะเริ่มเห็นผลที่เกิดจากการศึกษาเกิดจากการปฏิบัติว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าสิ่งที่เราหากันคือโลกกรรมทั้งสี่ลาบยศ เ, เสร่ำเสวนสุขเราก็จะเปลี่ยนวิธีหาความสุขด้วยการมาปฏิบัติทำกันมากขึ้นไปต่อไปเราอาจจะ ยุติการหาความสุขจากโลกธรรมแล้วหันมาหาความสุขจากการทำใจให้สงบด้วยการปฏิบัติทานสิงภาวนาอย่างเต็มรูปแบบเลยก็ได้นี่เกิดเรื่องราวที่เอามาฝากท่านในวันนี้<ม>ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจะขออนุโมทนาให้พรยะทาวารวาหาปุราปาริปุเรนติสาขลาง เอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปการปติยทิฏังปฏิฏังตุหังคิปเมวะสมิจโตสัพเพปุเรนตุสังกาปะจันโทปนะวะโ a ยทาเมนิโชติร so y ย t h สัพพิเตโยวิวั a จันโต สัพพะโรโควินาศสตุมเะเตภวัตวันตรายุสุขีสุขีทีขายุโกภวะอภิวาธนศีดิสนิจจังุทธาปะจายโนจตตารุธรมมวัฏานติอายุวันโสอสุขังพาลาง ลำดับต่อไปนี้ก็เป็นช่วงถามตอบคําถามใครมีคําถามอะไรก็ขอเชิญถามได้ในช่วงนี้ช่วงเดียวหลังจากเรื่องแล้วจะไม่สะดวกถ้าอยากถามอะไรขอให้เชิญเชิญถามตอนนี้จะเข้ามาถามเองก็ได้หรือเขียนใส่กระดาษส่งข้อความเข้ามาก็ได้ถ้ามีมือถือก็ส่งมาทางเพจทาง YouTube ก็ได้วันนี้มีผู้ติดตามทั้งหมดเท่าไหร่ เรียนพระอาจารย์ค่ะวันนี้มีผู้รับฟังธรรมะนากุฏจากทาง Facebook พระอาจารย์สุชาติหกร้อยสิบท่าน YouTube พระสุชาติไลฟ์สามร้อยเจ็ด YouTube ดรวีแชนเนลแปดสิบสองวิทยุออนไลน์เก้าครับเฮาสิบนาคุฏหนึ่งร้ยเจ็สิบรวมทั้งหมดหนึ่งพันหนึ่งร้อยแปดสิบแปดท่านค่ะค่ะมีคำถามจากทาง Facebook ค่ะ พยายามไตร่ตรองดูตรวจ ด, ดูสภาพจิตใจเราตลอดเวลาว่าตอนนี้เป็นอย่างไรเกิดกิเลสตัวใดขึ้นและพยายามระงับไม่ให้ลุกลามออกไปเพราะเรารู้แจ้งแล้วว่าที่เกิดความทุกข์ขณะนั้นเพราะเราไปหลงปไปยึดร่างกายเป็นตัวตนเราจึงต้องคอยประคับประคองดวงจิตใจเราให้อยู่ในความจริงว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายใจเราก็สบายจะโลภก็โลภไม่ได้จะโกรธใครก็ไม่ได้เพราะเราไม่ยึดมั่นในร่างกายถูก ต้องไหมคะคือการจะดูตรวจตาร่่งากายเราให้เกิดเป็นผลได้เราต้องมีเครื่องมือที่จะคอยหยุดสิ่งที่เราต้องการจะหยุดถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือเราดูไปเราเห็นว่าใจเรายังโลภยังโกรธอยู่แต่ถ้าเราไม่มีเครื่องมือหยุดมันเราก็หยุดมันไม่ได้ัน้นก็เหมือนกับ ให้ให้มีทหารไปสู้กับข้าศึกศัตรูแต่ไม่ให้อาวุธไปทหารเห็นข้าศึกศัตรูเข้ามาก็ทําอะไรไม่ได้ไค่ดูแต่เฉยๆต้องให้มีทั้งให้ทหารมีอาวุธไปด้วยเพื่อเวลาข้าศึกศัตรูเข้ามาจะได้ยับยั้งเขาได้หยุดเขาได้ดังนั้นการจะดูจิตดูไตดูอะไรต่างๆที่มีอยู่ในจิตเรานี้ ถ้าเรายังไม่มีเครื่องมือคือสติปัญญานี้ดูไปก็ไม่สามารถทําอะไรมันได้พิเรนมันโผล่ขึ้นมาก็หยุดมันไม่ได้เวลาโกรธก็หยุดมันไม่ได้เวลาโลภ ก, ก็หยุดมันไม่ได้ยันทางที่ดีตอนนี้ยังไม่ไม่ไม่สมควรที่จะดูดูบ้างก็ได้แต่โดยหลักแล้วตอนนี้ให้เรามาสร้างเครื่องมือให้กับจิตก่อนสร้างสติก่อนสร้างปัญญาก่อน สติก็คือคอยควบคุมคอยหยุดความคิดต่างๆเพราะความคิดต่างๆนี้เป็นตัวที่ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นมาในจิตเกิดกิเลสต่างๆขึ้นมาได้ถ้าเราหยุดความคิดได้เราก็จะหยุดกิเลสได้หยุดอารมณ์ต่างๆได้แล้วถ้าเราศึกษาดูว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันอยู่ภายใต้กฎของใจรักนี่คือปัญญาเราก็ จะสามารถดูแล้วก็ปล่อยวางได้ไม่ไปยุ่งกับมันได้หรือถ้าอันไหนที่ควรจะระ ง, งับก็ระ ง, งับได้ก็ระ ง, งับไปอันไหนที่ไม่อยู่ในวิสัยที่จะระ ง, งับได้ก็ปล่อยมันไปตามนั่นจะมันจะทําให้ใจเราไม่ทุกข์ไม่เดือดร้อนกับปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นในใจของเราดั้นที่พูดนี้มันพูดถึงทำขั้นสูงขั้นของผู้ที่มีสติปัญญา แล้วแล้วก็ปล่อยวางสิ่งต่างๆได้แล้วปล่อยวางร่างกายได้แล้วปล่อยวางลาบยศสารเสริญสุขได้แล้ว<ม>นี่เพียงแต่ว่ายังปล่อยวางสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในใจไม่ได้อันนี้นนก็ต้องต้องมีสติมีปัญญาถึงจะสามารถที่จะดูดูแลจิตใจของเราได้ให้มันอยู่ในความสงบเรียบร้อยได้ คำถามจากทางย t u b e ค่ะเพรา ะ, ะพระอาหารหันยังต้องนั่งสมาธิภาวนาไหมครับเมื่อในเมื่อท่านตัดกิเลสได้แล้วค่ะก็คนที่เป็นไม่สบายแล้วหายแล้วยังต้องกินยาเขปล่าไม่กินใช่ไหมพระอาหารหัน์ก็เป็นเหมือนคนที่พ้นทุกข์แล้วไม่มีความทุกข์อยู่ในใจแล้ว การนั่งสมาธิก็เป็นการดับทุกแบบชั่วคราวเมื่อไม่มีความทุกข์จะให้ดับจะไปนั่งดับมันมันก็นั่งได้แต่มันไม่ได้นั่งเพื่อดับความทุกข์นั่งเพื่อพักผ่อนก็เรียกว่าพักผ่อนบางทีจิตใจเราไปรับรู้เรื่องนั้นเรื่องนี้คิดเรื่องนั้นเรื่องนี้มันก็ทําให้เหนื่อยได้ก็เข้าสมาธิเพื่อพักผ่อนทานอาหารนี้ท่านจะใช้สมาธิเป็นวิหารธรรม เป็นเครื่องอยู่เป็นเครื่องพักผ่อนจิตใจไม่เหมือนพวกเราเราไปพักผ่อนตามสวนสวนสาธารณะตามสวนสนุกตามสถานบันเทิงต่างๆแต่พระอรหันต์ผู้เส้นกิเลสแล้วท่านก็จะพักผ่อนด้วยการเข้าไปในสมาธิแต่ถ้าไม่ได้เข้าไปเพื่อไปดับความทุกข์ท่านก็จะเข้าก็ได้ไม่เข้าก็ได้ถ้าไม่มีเวลาเข้าก็ไม่สะดวกจะเข้าก็ไม่เข้าก็ ถ้าอยู่ว่างๆสบายๆยอยากจะพักใจก็เข้าไปก็ได้อันนี้มันเป็นมันไม่ได้เป็นไปเพื่อเป็นการดับความทุกข์อีกต่อไปคำถามจากทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะอยู่ในโลกทิพย์แล้วเพลินไปในการงานสบายใจอย่างนี้เป็นอย่างอยู่ในโลกทิพย์แล้วเพลินไปในการงาน รู้สึกสบายใจมากเลยครับรู้เพลินๆรู้แล้วปล่อยรู้แล้วปล่อยอย่างนี้ถูกต้องไหมครับถ้าไม่ถูกที่ถูกควรทำอย่างไรครับถ้าปล่อยก็ถูกอย่าไปแบกอย่าไปยึดอย่าไปติดอย่าไปอยากปล่อยทุกอย่างเป็นเหมือนลมพัดเนี่ยถ้าเราปล่อยให้ลมพัดแล้วเราจะสบายใจถ้าไปอยากให้ลมหยุดเราก็จะเครียดขึ้นมามนต้องปล่อยทุกอย่างถ้าเราควบคุมบังคับไม่ได้ถ้าเราแก้ไขไม่ได้ อันไหนที่เรายังแก้ไขได้ทำให้มันดีขึ้นมาได้ก็ทำไปอันไหนที่เราทำไม่ได้ก็ต้องปล่อยแล้วใจเราก็จะไม่เครียดค่ะคำถามจากทาง YouTube youtube ดร V ค่ะผมดูแลบีดาท่านเจ็บป่วยเหลือเวลาอีกไม่กี่อาทิตย์ส่วนมารดาท่านสบายดีจะมอบเงินให้มารดาใช้ไม่ให้ลำบากส่วนกระผมจะออกบวชศึกษาปฏิบัติธรรมกับพระอาจารย์ได้ไหมครับ คืการปฏิบัติธรรมนี้ก็ปฏิบัติที่ไหนก็ได้ก<ม>ารที่จะมาบวชอยู่ที่นี่มันมีขั้นตอนซึ่งไม่อยู่ในการในวิสัยของเราที่เราจะทำให้ได้เพราะจะต้องผ่านทางเจ้าอาวาสท่านต้นองขออนุญาตท่านต้องขอให้ท่านบวชให้เมื่อท่านรับเราแล้วท่านก็จะเอาเราไปเป็นลูกศิษย์าะ การรับใครมาบวชนี้ก็เป็นภาระรของผู้ที่รับให้เป็นอาจารย์สอนยกเว้นว่าจะมอบหมายให้กับอาจารย์รูปอื่นทำหน้าที่แทนแต่ถ้าท่านต้องการที่จะเป็นอาจารย์สอนเองก็ก็ต้องว่ากันไปตามที่ท่านต้องการเฉะนั้นการที่จะมาบวชมาปฏิบัติอยู่วัดนี้มันไม่ได้อยู่ที่เราเป็นผู้ตัดสิน ต้องไปติดต่อพระทางเจ้าว่าเราเป็นเพียงลูกวัดเราอยู่แบบลูกวัดก็ไม่ต้องมีภาระต่อใครถ้าเป็นเจ้าว่าก็ต้องแบกภาระต้องรับดูแลคนนั้นคนนี้เราก็ทาภาระหน้าที่เพียงแต่ให้ความรู้ท่านเองใครต้องการความรู้ศึกษาสงสัยเรื่องอะไรก็มาปรึกษาได้ แต่เรื่องการที่จะมารับให้มาอยู่นี่มันไม่ได้อยู่ในวิสัยของเราที่เราจะทำได้คำถามจากทาง u t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะถามว่าให้คำถามที่หนึ่งก็คือขอให้พระอาจารย์ช่วยอธิบายคำว่าปวารณาค่ะแล้วก็คำถามที่สองปวารณาเนี่ยใช้ในโอกาสไหนบ้างคะ คำว่าคำว่าปวาวรณาก็คือการประกาศหรืออนุ ญ, ญาตให้ผู้อื่นเขาทําอะไรกับเราอย่างใดอย่างหนึง่ง mm hmm. เช่นว่ากล่าวตักเตือน mm hmm. หรือในกรณีหนึ่งก็อาจจะเปิดอนุ ญ, ญาตให้ผู้อื่นเขาขอความช่วยเหลือจากเราเช่นญาติอยู่บางทีก็ปวาวารนานตัวให้กับพระว่า ถ้าท่านขาดปัจจัยสี่อย่างใดอย่างหนึ่งก็นิมนต์<ม>บอกได้ขอได้เพราะโดยปกติพระนี้จะไปขออะไรจากคนที่ไม่ใช่เป็นญาติหรือคนที่ไม่ได้ปวารณาตัวไม่ได้จะขอได้กับญาติพี่น้องเช่นบิดามารดาหรือคนที่ปวารณาตัวว่าจะถวายปัจจัยสี่ถ้าขาดจีวรก็ไปบอกเขาได้นี่คือคำว่าปวารณา มันีสองรูปแบบปาวนาเพื่อให้คนอื่นเข้ามาขออะไรจากเราอีกอีกรูปแบบหนึ่งก็ปวาวนาเพื่อให้คนอื่นเข้ามาตําหนิตีเตียนว่าเก่าวตักเตือนเราได้อันนี้จะเป็นธรรมเนียมของพระในวันออกพรรษาพระพุทธเจ้าปกติวันออกพรรษาจะลงฟังพระปฏิโมกกันเป็นปกติฟังพระธรรมวินัย227ข้อแต่วันสุดท้ายของพรรษาวันออกพรรษานี้ ท้องส่องให้หยุดไม่ต้องฟังปาฏิโมกข์แต่ให้พระ ท, ทุกลูกที่อยู่ในวัดเดียวกันนี้ปรวารณาตนเองต่อหน้าสงฆ์ท่ามกลางสงฆ์ว่าข้าพเจ้าหากท่านสงสัยก็ดีได้ยินก็ดีเห็นก็ดีในพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของข้าพเจ้าขอโปรดให้ท่านได้กรุณาตําหนิติดเตือนว่ากล่าวบอกข้าพเจ้าด้วยจะเป็นพระคุณอย่างยิ่งอันนี้เป็นการ เปิโดโอกาสให้ผู้อื่นที่เขาเห็นว่าเรากระทำตนเองไม่ถูกไม่ชอบอย่างใดอย่างหนึ่งได้ว่ากล่าวตักเตือนเพราะว่าบางทีเรามักจะหลงตัวเราเองเรามักจะไม่ค่อยมองเห็นความผิดของเราเราชอบมองเห็นความผิดของคนอื่นแต่ความผิดของเรานี้มักจะมองไม่เห็นกันพระพุทธเจ้าก็เลยต้องใช้การปรวานานี้ให้ทุกรูปแม้แต่พระพุทธเจ้าเองก็ตา่างพระพุทธเจ้าก็บอกว่าแม้แต่เราเราก็ปวานานตัวเรา ให้กับท่านทั้งหลายให้ว่ากล่าวตักเตือนข้าพเจ้าได้ถ้าเห็นก็ดีได้ยินก็ดีสงสัยก็ดีในพฤติกรรมต่างๆก็ขอให้กรุณาได้ว่ากล่าวตักเตือนทดสอบถามได้เพื่อเป็นประโยชน์แก่ข้าพเจ้าเองเพราะคนที่เขาชี้ความผิดให้เรานี้เป็นเหมือนคนเขาชี้ขุมทรัพย์ใช่บางทีเราไม่รู้เราเราทาผิดแล้วทาไปเรื่อยๆมันก็ยิ่งผิดไปใหญ่ กานที่จะได้คุณได้ประโยชน์กับได้โทษแต่พอมีคนเข้ามาว่าเอ้ยนี่มันผิดนะทำไปแล้วมันจะเสียหายกับคุณตัวคุณเองเราก็พอรู้ว่าผิดเราก็มาแก้ไขดัดแปลงไม่ไปทำเสียเมื่อไม่ทำผิดโทษก็ไม่เกิดตามมาต่อไปอนี่คือความหมายของกววารภาวนาคำถามจากทางเฟซบุ๊กค่ะ กลับสอบถามท่านอาจารย์ผู้รู้ไม่มีกําลังครับควรทำอย่างไรครับไม่มีสตินะ ส, สตินี่คือขมพลังของใจมันจะริญสติอยู่เรื่อยบริกรรมพุโทโธไปเรื่อย อ, อย่าปล่อยใหใ้ใจคิดใจคิดแล้วจะถูกกิเลสมาบ่นทมนทอนกําลังของใจกิเลสมันจะคิดไปในทางโลภความอยากพอไม่ได้สิ่งที่โลภที่อยากก็ท้อแท้มัวนายหมดกําลังใจฉั้นต้องพยายามระรับ ความคิดด้วยการทำบริกรรมพุทโธพุทโธใจยิ่งนิ่งยิ่งยิ่งสงบเท่าไหร่ใจยิ่งมีพลังมากขึ้นเท่านั้นง mm hmm. ั้นอย่ามองข้ามการเจริญสติ mm hmm. เช่นการบริกรรมพุทโธมีคุณประโยชน์มากต่อจิตใจ mm hmm. เราสามารถทาได้ทุกแห่งทุกหนทุกเวลายกเว้นเวลาที่เราหลับเท่านั้นที่เราจะไม่สามารถเจริญสติได้เราอยู่ที่ไหนทำอะไรถ้าไม่ต้องใช้ความคิดก็ใช้พุทโธพุทโธไป ถ้าต้องใช้ความคิดก็หยุดพุดโทโธไว้เชือกคราวแล้วคิดไปในเรื่องงานเรื่องการที่จำเป็นแต่อย่าปล่อยให้ไปคิดในเรื่องที่ไม่จำเป็นพอจะไปคิดเรื่องไม่จำเป็นก็พุโทโธพุโทโธหยุด่นไปแล้วใจจะว่างจะเย็นจะสบายจะมีพลังมากคำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะ ในช่วงหลังที่นั่งปฏิบัติภาวนาเมื่อหลับตาและเริ่มดูลมหายใจสักครู่หนึ่งจะมีความรู้สึกเหมือนวิวว่างๆแล้วก็สงบลงลักษณะแบบนี้เป็นสภาวะที่พระอาจารย์เรียกว่าการที่จิตรวมลงไหมคะหรือเกิดสภาวะแบบเมื่อเกิดสภาวะแบบนี้เราก็เพียงแค่แต่รู้แล้วก็อยู่กับลมหายใจต่อไปเช่นนี้ถูกต้องแล้วใช่ไหมคะถูกต้องแล้วดูลมไปเรื่อยๆพาะควาสมสงบมันเหมือนขั้นบันไดบางที มันสงบเป็นขั้นขั้นสงบทีนึงนิดทีละหน่อยบางครั้งมันก็สงบแบบพวดพลาดก็มีไม่แน่นอนนั้นมันจะสงบในรูปแบบไหนก็ขอให้เรารู้เฉยเฉยอย่าไปตื่นเต้นตกใจดีใจให้สต่ว่ารู้ไป คำถามจากทาง youtube พระอาจารย์สุชาติค่ะตอนนี้มีนี้สินมากมายเป็นความทุกข์ใจตลอดเวลาความทุกนี้ทําอย่างไรก็ไม่หายเคยไปบนไว้ว่าจะบวชพระหนึ่งปีก็ไม่สําเร็จปฏิบัติทำทุกวันวันละ6ชั่วโมงต่อเนื่องเป็นเวลาหปีก็ไม่สําเร็จเป็นเพราะอะไรครับก็ไม่ใช่นี่เขาไงใช้นี่มันก็สําเร็จใช่ไหก็ข า, ขายทรัพย์สินที่เรามีอยู่ไปนี่ โดยไม่เงาะให้เขาจับเราล้มละลายไปให้มันหมดเรื่องหมดราวไปอื<ม>ติดคุกก็ติดไปอ ม, มันก็จะได้หวดปัญหาไป<ม>ถ้าไม่ยอมติดคุกมันก็อย่างเนี้ยมันก็ยังมีคดีดความติดตัวอยู่ถ้าอยอมติดคุกปั๊บไม่กี่ปีมันก็ออกมาจากคุกก็สบายแล้วการบวชการแก้บนนี้ไม่ใช่วิธีแก่นี้ถ้า <laughs> แก่นี้ได้ทุกคนก็ไปบวชกัน <laughs> คำถามจากทางย t u b e พระอาจารย์สุชาติค่ะตอนเช้าถ้าลูกชายอายุ11ขวบยังนอนอยู่แต่เราผู้เป็นแม่อยากจะไปทําบุญเราควรปลุกเขาไปด้วยหรือหรือปล่อยเขานอนต่อคะถ้าเขาไม่อยากไปเราบังคับให้เขาไปจะได้ประโยชน์อะไรไหมคะคือการปล่อยเด็กไว้ก็ต้องดูว่ามีใครดูแลแทนแล้วหรือเปล่าถ้าไม่มีใครดูแลมันก็อาจจะเป็นอันตรายต่อเด็กได้ ก็คนที่ยาวไปการพาเด็กไปวัด น, นี้มันไม่ได้เป็นการเสียหายอะไรเป็นการฝึกให้เด็กรู้จักวัดวาให้รู้จักการทำบุญทาทานซึ่งจะเป็นคนประโยชน์ต่อเด็กต่อไปเมื่อโตอขึ้น<ม>จิตใจเด็กจะได้มีมีบุญมีกุศลถ้าไ ม, ไม่ไม่สอนไม่พาหรือไม่บังคับไปปล่อยให้เด็กทาไปตามอารมณ์เด็กจะถูกอารมณ์ของกิเลสลากพาไป แล้วจะกลายเป็นเด็กที่ <c oughs> ดื้อรัน้น <c oughs> เด็กที่ไม่มีบุญไม่มีกุศลฉะนั้นตอนที่เขายังอยู่กับเราแล้วเขาติดเราเราไปไหนเขาต้องตามเราไปก็เอาเข้าไปด้วยถึงแม้เขาไม่อยากจะไปบางครั้งก็ใช้กุศลบายอย่างใดอย่างหนึ่งชวนเข้าไปแล้วก็เพราะว่าเป็นการฝึกฝนอบรมให้เขาได้เข้าสู่ทางของศีลธรรมจริยธรรม ของพวกนี้มันต้อ ง, องดึงต้องา拉เพราะใจของคนเราส่วนใหญ่นี้มันมีแต่กิเลสตัณหามันจะไม่ชอบศีลธรรมไม่ชอบจริยธ ร, รรมแต่ถ้าปล่อยให้เขาทําตามที่เขาชอบแล้วเขาก็จะถูกกิเลสตัณหาครอบงำจิตใจแล้วต่อไปเขาก็จะกลายเป็นคนที่มีแต่ความทุกข์ที่เกิดจากกิเลสตัณหาของเขาเอง คำถามสักทางเฟซบุ๊กค่ะกล่าวขอให้พระอาจารย์อธิบายเรื่องยิ่งให้ยิ่งได้เพราะในความเป็นจริงเวลาเราให้ทานเราต้องเสียสละซับที่ว่าได้คือได้อะไรคะได้ความสุขที่เหนือกว่าความสุขที่ได้จากของที่เราเสียสละไปเราได้ยิ่งให้ยิ่งได้ไปได้ความได้ความสงบได้ความสุขใจนั่นเองแต่เงินทองเราเสียไป ความสุขที่เราได้จากเงินทองนี้มันสู้ความสุขที่เราได้จากการทําบุญทําทานไม่ได้เช่นเราเอาเงินก้อนเดียวกันไปซื้อเสื้อผ้าใหม่สักชุดหนึ่ง<ม>ก็สุขประเดียวปรดาวแต่ถ้าเอาเงินก้อนนี้ไปทําบุญทําทานนี้มันจะสุขมากกว่าและอยู่อยู่กับเราไปนานกว่าด้วย<ม>ทําบุญไปแล้วทิ้ดที่แล้วบางทียังมีความเจ็มอิ็นใจสุขใจกับบุญที่เราทํานั้นอยู่แต่ซื้อเสื้อผ้ามาันเมื่อวานนี้วันนี้หายไปหมดแล้วเห็นแล้วก็เบื่อแล้ว อยากจะได้ชดหแทนคำถามจากทางเฟซบุกค่ะเมื่อก่อนเห็นแต่ความสวยงามเห็นแต่ความแข็งแรงเห็นแต่ต้องอยากมี เห็นแต่ต้องอยากมีไปได้เรื่อยๆต่อมาเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายความเสื่อมเกิดขึ้นตามวัยทั้งของเราและของผู้อื่นเห็นความไม่อยากเริ่มเบื่อหน่ายและไม่อยากได้อะไรให้เป็นภาระอีกเราควรมองและอยู่กับโลกอย่างไรให้เห็นเป็นความไม่ทุกข์ได้อย่างแท้จริงเจ้าคะก็นี่แหละเห็นมองอย่างที่เราเห็นนี่แหละมองความเสื่อมมองการเปลี่ยนแปลง ไม่ช้าก็เร็วของ ต, งต่างๆที่มีอยู่กับเราก็ต้องเปลี่ยนไปและหมดไปเพอเปลี่ยนไปหมดไปอะไรจะตามมาถ้าไม่ใช่ความทุกจากทางเฟซบุ๊กนะคะ หลวงพ่อเจ้าคขาขออนุญาตรายงานผลที่ให้อาม่าเฮียงผู้ติดเตียงที่ถึงวาระสุดท้ายวันนี้ได้เปิดธรรมะให้อาม่าฟังและบอกว่าพระอาจารย์หลวงพ่อได้นําธรรมะองค์พระสัมมาสัมพุทธ เ, ธเจ้ามาโปรดเทศให้อาม่าฟังจากที่กําลังที่ร้องครวญเวทนาในสังขารมาสิบกว่าปีอาม่าฟังจากร้องครวญมาร้องหลวงพ่อหลวงพ่อจิตก็สงบฟังดีขออนุญาตพระอาจารย์เสริมต่อเพื่อเป็นธรรมทานน้อมกราบสาธุเจ้าค่ะ ก็ทํำบ่อยๆทําบ่อยๆทำไปเรื่อยๆทําใจให้สงบไปเรื่อยๆแล้วความเจ็บความตายจะไม่ไม่เป็นปัญหากับใจคําถามจากทางยูทูปพระอาจารย์สุชาติค่ะจิตประพัดสอนคือจิตที่ว่างเปล่าใช่หรือไม่ครับประภัดสอนแปลว่าสว่างสวยจิตที่สว่างสวายนี้เป็นจิตที่ปราศจาก กามารมต่างๆโดยเป็นจิตสองพระอนาคามีจิตพระนาคามีนี้ตัดกามารมตัดกามตัณหาและทุกอย่างได้หมดตัดความอยากในรูปเสียงกลิ่นแล้วตัดความอยากอะไรเมื่อความอยากเหล่านี้มันถูกกาจัดไปจิตที่เคยเศร้าหมองด้วยความอยากเหล่านี้มันก็หายเศร้าหมองมันก็เลยสว่างสวัยขึ้นมาแต่ยังเป็นจิตที่ไม่บริสุทธิ์ เพราะว่าในความสว่างสวัยนี้มันก็ยังมีกิเลสตัณหาซ่อนเล้นอยู่ที่ละเอียดกว่าการมรรตาตนาก็อยังมีภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาอยู่ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปบางท่านพอถึงขีดนี้ถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยสอนคอยได้ยินได้ฟังมาก็อาจจะคิดว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เป็นจิตของพันิพานแต่ก็จะติดอยู่ตรงนั้นจะไม่ปฏิบัติต่อ แต่ถ้าได้ศึกษาจากครูบาอาจารย์อยู่เรื่อย่ท่านจะบอกความแตกต่างระหว่างจิตประัฒสอนกับจิตบริสุทธิ์เ <Yeah. S 1> มื่อมาถึงขั้นที่เจอจิตที่สว่างสวัยมหัศจรรย์ใจอย่าไปหลงคิดว่าเป็นจิตบริสุทธิ์เพราะนี่คือจิตประพัฒสอนจิตที่ยังมีกิเลสซ่อนตัวอยู่ <Yeah. S 1> แต่เป็นกิเลสชนิดที่ะละเอียดกว่ากิเลสแบบกามมากตานหา มีภาวะทันหาวิภาวะทันหายังมีอยู่ในจิตต้องใช้ปัญญาพิจารณาศึกษาค่อยควรไปต่อไปแล้วดูสังเกตหาคนดูภาวะต่างๆที่เกิดขึ้นในจิตว่าเป็นเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นอนัตตาหรือเป็นอนัตตาเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ต้องใช้ตายลากต่อไปดูสภาวะธรรมที่มีอยู่ในจิตในขณะนั้นอันนั้นนะแล้วก็จะเริ่มเห็น ความแปรปรวนของแม้กระทั่งความประพัดสอนมันก็มีการแปรปรวนได้เหมือนกันก็จะรู้ว่าอันนี้ก็ยังไม่ใช่เป็นของแท้ของจริงยังเป็นของตายลักอยู่ยังอยู่ภายใต้กฎตายลักถ้าไปยึดไปติดไปยินดีก็จะต้องก็ยังจะต้องทุกข์ต่อไป<ม>เวลาที่มันเสื่อ ม, ม, มอันนี้ก็คือเรื่องของการปฏิบัติ ที่จะต้องทำต่อไปถ้าถึงจิตประพัฒสอนแล้วอยากอยากคิดว่าจบแล้วยังไม่ยังไม่ถึงถึงจุดปายปลายทางยังเหลืออีกป้ายหนึ่งอย่าเพิ่งไปลงป้ายนี้อย่าเพิ่งลงสถานีนี้ยังมีสถานีที่จะต้องวิ่งต่อไปนั่งในรถต่อไปปฏิบัติต่อไปจนกว่าถ้าถึงป้ายสุดท้ายแล้วก็จะถึงจะสามารถหยุดการปฏิบัติได้ คำถามจากทางยูทพระอาจารย์สุชาติค่ะคำถามเดิมจากคนที่มีนิสิต น, นะคะถ้าออกไปใส่บาตรพระทุกวันวันละห้ารูปขึ้นไปชีวิตในปัจจุบันนี้จะดีขึ้นไหมครับดีขึ้นด้านไหนบ้างครับ อ, อ๋อดีขึ้นทางจิตใจทางนิสิต น, นไม่ดีขึ้นอาจจะมากขึ้นด้วยเพราะเอาเงินมาใส่บาตร <laughs> อาจจะไยืมเงนคนมาใส่บาตรนิสินมันก็มากขึ้น การทำบุญทำทานนี้มันดีขึ้นทางด้านจิตใจจิตใจมีความอิ่มใจสุขใจมากขึ้นยกระดับจากจิตใจจากมนุษย์ขึ้นไปเป็นเทพสูงขึ้นจเจริญขึ้นผู้ให้นี่ถือว่าจเจริญกับผู้รับต อ, อนนี้เราเป็นมนุษย์ถ้าเราทำบุญทำทานเราก็จะยกระดับจิตใจให้ขึ้นไปในระดับของเทพแต่ทางด้านโลกธรรมนี้ไม่ไม่เกี่ยวกัน โลกะทรมไม่เกี่ยวกับการทำบุญการทำบุญนี้มีผลโดยตรงต่อจิตใจของเราท่านทางทางนั่งโลกธรรมก็ว่าไปตามตามเหตุตามปัจจัยตามกฎของไตรตลักษ์ต่อไปคำถามจากทาง facebook ค่ะถาว่าปวดลิ้นมากเวลาปวดลิ้นมากเวทนามากจะภาวนาอย่างไงคะ ก็ท่องบริกรรมพุโทโธพุธโทโธไปหรือสวดบทอิทธิปิโสไปก็ได้โดยที่อย่าไปให้ใจไปคิดถึงอาการปวดให้จดจ่ออยู่กับคำบริกรรมพุโทโธแล้วอยู่กับการสวดบทอิทธิทปิโสไปถ้าสามารถเกาะติดอยู่กับการสวดในการบริกรรมได้ไม่นานไม่กี่นาทีใจก็อาจจะเบาลงเย็นลงแล้วรู้สึกว่าอาการปวดไม่รุนแรงเหมือนเมื่อก่อน